สวัสดีครับท่าน 2518 ชาวจังหวัดระยองได้อิสริโก หรือว่าท่านพระครูภาวนาภิรัตย์แห่งวัดอิสริโกนับว่าเป็นพระอาจารย์ที่เรื่อง นำมาอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนและก็ศิษยานุศิษย์ให้ได้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์ให้สะดุ้งกลัวต่อบาปคือกลัวความชั่วความทุจริตทั้งหลายแล้วก็จะเป็นเครื่อง ย่อมเป็นเครื่องอาศัยใช้สอยอำนวยประโยชน์และความสุขสำหรับ ซึ่งหลวงพ่อกันผู้นี้ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเดิมวัดหนองพูหลวงพ่อกันได้รับนิมนต์มาทําพิธี แต่หลวงพ่อกันท่านกลับชี้มือไปที่พระแก่ๆรูปนึงที่ไม่มีๆไม่รู้จักหาไปหาระยองเข้าไป ท่านก็ชี้มือไปที่พระแก่ๆว่านั้นก็คือหลวง เป็นบุตรของนายแจ้งามศรีกับนางอินเป 16 มิถุนายน 2422 ปีมาเมท่าน หลวงปู่สังผู้เป็นลุงของหลวงปู่ทิมรูป ก่อนที่จะไปอยู่วัดเก๋งจีนหลวง ซึ่งเป็นหลวงปู่ทิมนั่นเองการเล่าเรียน 16 17 ปีทั้งนั้นหลวงปู่ อยู่เล่าเรียนกับพระอาจารย์สิงห์แล้วโยมพ่อมาขอตัว ซึ่งท่านทําไปก็ด้วยความคึก 21 ปีท่านก็ถูกคัดเลือกเป็นทหาร 4 ปีจึงได้ ปี 2449 ปีมาเมโดยมีพระครูขาววัดธรรมาท่านได้รับฉายาว่าอิสริโกหลังจากบวชเป็นพระสมบูรณ์แล้ว 1 24 พรรษาตอนที่ ท่านก็ได้ขวนขวาศึกษาตำราหลวงๆในรุ่น ต้องการจะศึกษาในทางพระปริยัติธรรมเท่า ละวิปัสสนากรรมฐานทําปัญญาให้รู้แจ้งเห็นสภาพตามความเป็นจริงเรื่องของฌานนี่เป็นเรื่องที่มี ท่านสามารถพิจารณาเห็นปฏิภาคนิมิตกสิณในกสิณ 10 ได้เป็นอย่างดีเช่นการเพ่งดินเป็นอารมณ์เพ่งน้ำ เวลานั่งเพ่งกสิณนั้นไม่ให้นึกถึงอะไรทั้งนั้นให้นึก จึงกระทั่งดวงกสิณนั้นปรากฏติดตาคือไม่ว่า ระหว่างที่อยู่จำพรรษาวัดนามาตุมท่านก็ใช้เวลาเป็นประโยชน์ด้วยการไปเรียนวิชากับพระอาจารย์ผู้กำหมังเวทต่างๆหลายอาจารย์ด้วยกันแล้วก็เล่าเรียนในการฝึกกรรมฐานเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากพระอาจารย์อื่นๆอีกจนท่านมีความชำนาญ แม้แต่หลวงปู่ทิมท่านยังต้องบุกป่าแต่ทางเดินป่าที่แคบๆเท่านั้นหลวงปู่ทิมท่านก็ต้องพัฒนากันใหญ่ เมื่อหลวงปู่ถิ่มมาอยู่วัดละหาน อาทิการทิมอิสริโก 2478 ท่านแล้วต่อมาถึงปี 2497 ทางคณะสงฆ์ แล้วก็ทางคณะสงฆ์ก็ก็เร่งรัดให้ หลวงปู่ 5 ธันวาคมปี 2507 ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2518 ในบรรดา เช่นตะกรุดมหานิทราตะกรุดมหากำลังหรือปรากฏว่าได้ผลสมใจนึกทุกประกันที่ชาวบ้านเขาเรียก หลวงปู่ทิมก็เลยเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านทุก ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าเมื่อใครได้ตกบุตรไปแล้วที่สุดแม้จะเป็นท้องแรกหรือว่าเรียก เป่าใส่น้ำให้ผู้หญิงที่คลอดลูกยากรับ เขายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเพราะ เพราะว่าฉันเอ่อต่างกันแต่ก็ปรากฏว่าท่านมีอาหารแปลกปะปนอยู่เสมอก็ไม่รู้ว่าใครใส่บาดมาไม่ใช่อาหารเอ่อ ก็สามารถบังคับให้หยุดได้โดยไม่ทราบสาเหตุมี 2511 ที่วัดตะพง อดีตเจ้าอาวาสวัดตะพงนอกในพิธีนี้ก็ได้นิมนต์ ท่ามกลางสายตาของประชาชนทั้งเดือดเดือดจากค่อยๆปุดปุดขึ้นมาจนทวีความแรงขึ้น อยากจะอวดใครต่อใครว่าข้าเก่งแต่เดี๋ยวนี้ติดแล้ว ก็ทําให้ชังภาพคนนั้นทึ่งในความอัศจรรย์ที่เขาได้ก็ ซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนทั้งๆที่ไม่เคยเห็นตัวๆกับวัด ป้าอยู่เล่าว่าเมื่อย่างเข้าสู่ไชยราก็ท่านป้าบอก ความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องมงคลหลวงปู่ทิมมีมากเหลือที่หลวงปู่ทิมปลูกเสกนั้นจะหนักไปในทางคงกระพันแกร้วคลาดแต่ว่าทาง คุณกล้าแล้วก็คุณวัชรีซึ่งเป็น ขอให้ลูกของตัวหายจากโรค 3 วันถ้าหายจริง 3 วันเด็กหญิงกนกวันก็หายป่วยหมอ เจ้าของร้านอาหารนาวาชัยหาศิลาชาลื่นหกลม 3 คืนพอฟื้นขึ้นมา หลังจากนั้นก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าภาคณะแพทย์กลองความเห็น เลยตั้งจิตบอก 6 วันเป็นที่น่า 6 วันจริงๆประมาณเดือนตุลาคม 2517 ที่ เกือบ 2 เมตรนับว่าโกลาหลที่สุดในเวลานั้นราบทรายที่เตรียม ไม้กดชนิดที่ว่ามันรุนแรงชนิดเก็บไม่ไหวเลยทีเดียวเพราะน้ําป่าที่ไหลมานี่มันมีงูกบที่ถูกน้ําพัดพามาด้วยผล หลวงปู่ทิมท่านยืนเสกผ้าผืนนั้นสักอึดใจ ท่านก็เอามือลูบไล้ไปที่ลูกไก่สีขาวคู่นั้นด้วยความปราณีเป็นอย่างยิ่งนั่นเป็น เออได้เคยขอร้องไม่ให้ลูกน้องไปยุ่งเกี่ยวกับปลาในสระแล้วทําไมลูกน้องเราถึงเข้าไป คุณมงคลก็เลยไปหาหลวงปู่ทินเพื่อเรียนให้หลวงปู่ซาบอีกครั้งนึงว่าไม่มีลูกๆอ่ะไอ้มืดนั่นน่ะคุณมงคลก็กลับไปใหม่ไป เกี่ยวกับเรื่องปลานี่คุณเพียรวิทย์ศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่ทิมเล่าให้ฟังว่าเมื่อถึง พระอาจารย์รัฐเจ้าอาวาสวัดหนองกระบอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองท่านเล่าบอกๆเพราะว่าทุกครั้ง รูปอื่นๆที่อยู่ในจังหวัดระยอง 3 รูปก็มีหลวงพ่อ 4 รูปหลวงปู่ทิมได้ให้หลวงพ่อ แต่พอถึงรูปสุดท้ายคือหลวงปู่ทิมซึ่งท่านได้นั่งบริกรรมเพียงชั่วครู่ปรากฏว่าเครื่อง ตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของหลวงปู่ทิมก็เป็นๆก็ยังรู้จักชื่อเสียงท่านเป็นอย่างดีทั้งนี้ ในทางวิทยาคมแล้วทางด้านการของท่านก็เป็นยอดคือท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่ถือเคร่งมากทุกวันพระท่านจะเทศสั่งใน สร้างบุญท่านเล่าถึงเรื่องของเศรษฐีชื่อจิตตะเดินทางมาเดิน ได้ถวายทานแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยของบรรณาการของเขาจนกระทั่งคเวน 500 เล่มว่างเปล่าคือถวายหมดเสร็จแล้วเมื่อเขาจิตตะเศรษฐีได้ของที่พวกเทวดา หาแต่พระองค์ผู้เจริญลาภสักการะนี้เกิดขึ้นแก่เศรษฐีจิตตะเฉพาะเดินทางมาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือหรือ เพราะว่าอุบาสกผู้นี้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นๆลาภสักการะย่อม ก็ยังคงเป็นอมตะอยู่นั่นเองท่านมักจะกล่าวกับว่าชื่อเสียงนั้น หลวงปู่ทิมท่านได้เขียนคติธรรมไว้บนว่าณทุกขะติงคัจฉติธรรมจาริงแปลว่าผู้ครับนั่นก็